ทีบัทำการทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆขตมาก็เพื่อไปเรื่อยๆเพื่อไปเรื่อยๆก็พวกเราก็โชคดีได้สัมปัสกับฮะ อ๋ออ่าไม่เป็นไรเนาะอพวกเราก็ชอบดีมาปฏิบัติทำการเันรุญนสติ ก็เพราะว่าเรามีอุปทา ก็อันนี้ก็ก็เป็นสาเหตุทำให้เราเกิดความทุกข์ความทุกข์นี่เป็น เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นสมยัยก็มีอยู่เป็นตังหาประทานยุดนั่นถือนั่นกับนี้กับนั้นเราไม่ได้ใช้อยู่ในโสมนัสนาการเป็นินพิจารณาด้วยปัญญา เลยมันคิดก็มันจิตมันก็เปลินเต็มไปเพลินเต็มไปไปกับไปอดีตไปอนาคตอยู่กับติดกับตัวตนก็เลย การทางกายอาการทางใจดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเข้าใจไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตนเราไม่ต้องยึดมั่เถือมั่งกับนั้น กามันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วพ็ตั้งอยู่เป็นดับไปช่วงขณะขณะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้อดีตก็อยู่ที่นี่อาตาเขก็อยู่ที่นี่อยู่ในความคิดของเราทำไมต้อง กุมภ์เอ็นในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะยุต ใช่ นี่เป็นผม ทํือทำดีทำจิตเขาโลภสดเชิญ น, นี่ก็เป็นคำสองของพระพุทธเจ้ากระสันสองไว้ให้เราทาให้ดับทุกะได้ ก็มี เพราะว่าเราก็ช่วยตัวเองได้รักษาใจด้วยตรงเองได้ทุกคนมีสิทธิมีทางพระพุทธ เ, เจ้าก็สังไว้รมพอคือว่าจางก็แนะนำไว้พอทันหลายก็ได้ประสบการ ies. มาว่าออนี่แะเป็นทุกข์ก็เกิดมาจากไหนจิตพลุ่นเต็มเป็นสังขารเกิดเมตนาสัญญาปิญญาอะไรก็ถ้าเราติดอุปทานทาาั้งห้าครั้งครั้งห้านั่นก็เป็นทุกข์ เมื่อกี้ก็สวดมนบทบทที่พิเศษนี่ก็ถือขันห้าเป็นตัวทุกข์เราวางไว้ก็เบากายเบาใจ ถือเอาไปก็มันเป็นของหนักแม้ว่าร่างกายก็ไม่ได้ถือเอาขอนก็ใจก็ถือเอาของเพ่งคันห้ามมันก็เป็นหนักหนักแล้วก็หนักใจทุกใจ ว่าปล่อยวางไว้ ของก็มันก็ทำให้เกิดแป่ธนาสัญญาสังขารก็มาจากสัญญาเตี่ยมเป็นกรรมวัจจานี้ก็ไม่เดยมี อ่ามายึดมันถือมั่นได้แต่ว่าถ้าเราก็เจตนาดีเจตนาสร้างสธิ ันทะก็ได้ไม่ได้เป็นทางหาเป็นันทะความรักละข่ ก, กับธรรมะเจตนาดีนี่ก็สร้างสติขึ้นได้สมาธิก็ขึ้นได้พัญญาก็ขึ้นได้ มันเราก็เลือกได้ถ้าปล่อยปลอยเดิมตัวร้อนตัวเพ็มอาบิจจาก็ทำให้เราหลงทางกันเืิมตัวกันพาไม่เรื่อนแล้วก็เกิดทุกข์ก็มันสร้าง มากขึ้น ม, มากขึ้นเป็นเรื่องยายขึ้นไปแต่ว่ามันสติก็มันจับมันว่าโอเป็นอย่างนี้ก็เราก็ปล่อยวางไว้ก็ดับไปความทุกข์ที่เกิดขึ้น ทำไมได้เป็นเรื่อง ไม่ได้หยุดมันถือมันสัมผัสอะไรสิ่งที่เกิด สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่เกิดจากใจเอามาใช้เพื่อประโยชน์ได้เราก็ควบคุมมันได้ถ้าเราใช้เพื่อประโยชน์ไม้ว่าเป็นทุกแม้ว่าเป็นความอยากความ หล่มความโกรธ อ, อะไรก็ดีหรือว่าเวทนาทุกเวทนาสุขอาคารท่านใจหลายอย่างที่เกิดมาแล้วที่เกิดมาแล้วก็ไม่เป็นไรเอามาใช้พระประโยค สัญญาที่ที่ไม่น่าดูอ๋อก็มาเป็นบทเดียนว่าก็ทำอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ก็เลยต่อไปไม่ต้องทำอย่างนั้นก็จะเป็นสัญญา ให้เราได้ชีวิตที่ดีต่อไปได้แล้วก็ถ้าเรา ประสบการณ์ดีท่าไปจัดสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนให้ได้คนที่ยันยื่ติดกับความทุกข์ผุดผนไม่เรื่อเรื่องก็เลยทกข์ไปเรื่อเรื่อยมันมีเยอะแยะเพราะว่าไม่เข้าใจ เท่านั้นไม่ใจดีไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนไม่ดีก็มีแตคนที่น่าสงสารเพราะไม่รู้จักไม่รู้เรื่องก็เลยร้อนทนัน กัน ก็ดีแล้วก็มีความคิดมีเวทนาก็เลยเราก็าถือต่อจิตใจก็เข้าถึงเข้าใจตัวเองได้ แนะนำให้เพื่อนๆที่ยันติดอุปทางความทุกข์ก็ได้ ช่วยกายเพื่อนก็ได้แต่ ว, ว่าช่วยใยนี่ก็ยากลำบากเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่ได้ลักษาตัวเองก็บันทีอยากจะช่วยเพื่อนคนที่ทุกข์